จเจริญพรทุกท่านอาหารอร่อยไหมพวกพี่ๆที่เขาจัดที่นี่นะตอนนี้มโนไปดูเขาขยายกิจการโรกทานไม่นิมนต์ไปฉนะันหรอกนะนิมนต์ไปเดินดูดูพวกเราโอ้มีความสุขเชียวกันตุยตุย ตื่นเช้ามาวันอาทิตย์นะได้ตื่นเช้ากว่าปกติเราก็ไม่มีภาระอะไรมากนะสดชื่นมากินอาหารฟรีซะอีอร่อยนะเสร็จแล้วก็มาฟังธรรมกว่าเราจะฟังได้ฟังเนี่ยราก็อาศัยคนจนํานวนมากช่วยกันแต่เจ้าของสถานที่หมู่บ้านเนี่ยเจ้าของสถานที่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 คนจนํานวนมากที่เขาเสียสละเขาไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้เงินได้ทองอะไรตอบแทนสักอย่างเดียวคนตั้งโลภทานแล้วก็ไม่ได้อะไรมุ่งเอาบุญมุ่งให้พวกเรามีแรงที่จะได้ศึกษาปฏิบัติธรรมงั้นพอเราได้รับความอนุเคราะห์แล้วเราก็ได้ใช้ประโยชน์นะแล้วก็สร้างคุณงามความดีขึ้นมาตั้งใจฟังธรรมะ ได้ฟังทรมาก็เป็นบุญอันหนึ่งละ่ะได้ฟังแล้วก็ลงมือปฏิบัติไปเท่าที่หลวงพ่อสังเกตดูนะในพวกเราที่สระดุงชินที่มาเรียนกันประจำเนะเรามีพัฒนาการที่น่าชื่นใจพัฒนาการดีมากนะไปที่ต่างๆเขาก็พัฒนาเหมือนกันนะแต่ไม่ได้ขนาดที่นี้ที่นี่เรียนกันมานานหลายสิบครั้งลว ื่อคนมาทีหลังแต่เร็วกว่าพวกมากกดๆก็มีนะพวมาหลายสิบครั้งบางทีสู้พวกมาครั้งสองครั้งยังไม่ได้เอาแน่ไม่ได้หรอกแล้วแต่บุญวาสนามันไม่เท่ากันนะแต่เท่าที่หลวงพ่อสังเกตดูจากพวกเรานะพัฒนาการของพวกเราเนี่พวกเรามาได้ไกลมาได้ไกลมากแล้วถ้าเทียบสมัยพุทธกาลมีพระสูตรอยู่พระสูตรหนึ่ง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 เมืองสาเกตอีกเมืองหนึ่งจากสาวธีไปเมืองสาเกตธรรมะนี้ก็เหมือนกันนะมันเหมือนรถเจ็ดลัดในรถเจ็ดลัดนียที่หลวงพ่อสังเกตดูพวกเรานะเราอยู่ในรถพลัดที่หกส่วนใหญ่นะเห็นแล้วน่าชื่นใจอันนี้ไม่ได้พูดเอางองอบางคนยิ้มหวานเลยขั้นที่หกแล้วเหรอ <c oughs> รถขั้นที่หนึ่งนะขั้นที่หนึ่ง ในเรื่องของศีลศีลบวิสุสสทธิเราก็ตั้งใจรักษาศีลให้มันบริสุทธิ์เต็มที่เนทะ่าที่ทำได้แต่เป็นคราวาดนะจะรักษาให้มันเพอร์เฟ 100% ยนะยากยากมากนะอย่างปลวกขึ้นบ้านจะ ท, ทำไงอ่ะปลวกขึ้นบ้านจะอูเบกขาเหรอเราจะไปอยู่ที่ไหนบ้านยังผ่อนไม่หมดเลยนะบางคนก็คิดต้องฆ่าปลวกให้หมด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 เมื่อเราตั้งใจรักษาศีลให้ดีที่สุดนะวิธีรักษาศีลให้ดีที่สุดนะเนี่ยหลวงพ่อสอนอยู่แทบทุกคราวเลยคือมีสติรักษาจิตไว้ถ้าเราคอยรู้ทันกิเลสทั้งหลายที่เกิดที่จิตเรารู้ทันนะกิเลสจะครอบงำจิตไม่ได้แล้วศีลมันจะมาเองพวกเราหลายคนทำตรงนี้ได้แนละ้วเวลาที่จะผิดศีลเนี่ยจะละอายใจ ถ้าเวลาจะต้องทำผิดศีลแล้วรู้สึกละอายใจนะถือว่าใช้ได้แล้วนะถ้าผิดศีลหน้าตาเฉยไม่ละอายเลยเนะี่ยยังต้องฝึกอีกมากใจบาปหยาบช้าไปแต่ถ้าเม่เจ้านายสั่งว่าใครโทรมาให้บอกว่าไม่อยู่นะอย่างเงี้ยเนี่ยจริงเนี้ยก็ลำบากใช่ไหมแต่ตั้งใจไว้ ตั้งใจคอยรู้เท่าทันใจของเราไว้ถ้าเรารู้ทันกิเลสศีลมันจะดีขึ้นเพราะคนทําผิดศีลนะเพราะกิเลสมันครอบงำมันทำได้เต็มที่ตัวต่อมาเรียกว่าจิตตวิสุทธิศีลวิสุทธิเนี่ยคนอื่นวัดเรายากว่าเราศีลเราดีแค่ไหนนะเราวัดตัวเองอันที่สองคือจิตตวิสุทธิรถปัดที่สอง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 ฟุ้งสเปสสปาเรียกอุทัจจะฟุ้งมากๆลาคาญใจเป็นกุกขุจะเนีฟุ้งไปแล้วก็ยิ่งสงสยัยยิ่งฟุง้งยิ่งสงสยัยยิ่งสงสยัยยิ่งฟุง้งเรียกวิจิกิจฉาฟุ้งมากๆก็หมดเรียกหมดแรงเรียกถีนมิตถะเนี่ยอาศัยจิตฟุ้งทั้งหมดเลยเราะนั้นถ้าเราคอยรู้ทันจิตที่ฟุงนะ้ง น, น, นั้นนิวรณ์ห้าตัวเนี่ยครอบงําจิตไม่ได้ถ้านิวรณ์ครอบงําจิตไม่ได้สมาธิเกิดเองเพราะว่านิวอนอรณ์นั่นแหละคือศัตรูของสมาธิ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 ที่สะอาดหมดจดความเห็นที่ถูกต้องบริสุทธิ์คือความเห็นความจริงว่าสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนียที่จริงก็คือรูปธรรมกับนามธรรมแยกรูปแยกนามได้แยกธาตุแยกขันธ์ได้ที่พวกเราจำนวนมากในขณะ น, นี้ที่บอกว่าแยากธาตุแยกขันธ์ได้นะเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูนีกายกับใจแยกกันเห็นความสุขความทุกข์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 มีความเห็นที่ถูกต้องแล้วว่าจริงๆมีแต่รูปกระนำแต่ใจมันยังยึงยดถืออยู่ถัดจากนั้นตรงนี้พวกเราทําได้นี้นับจํานวนไม่ท้วนละมาถึงวันนี้รู้สึกไหมพวกเราแยกกายแยกใจแยกรูปแยกนามได้คนทําได้เยอะแยะไปเลยในห้องเนี้เต็มไปหมดเลยหน้าตามันจะไม่เหมือนมนุษย์ปกติหน้าตาจะเป็นอามนุษย์นะหน้าตาภาวนาแล้วเป็นอมนนะน า, า ม, นนอมนุษย์เลยคือเป็นเทพเป็นลม ไม่ใช่มนุษย์ปกติหรอกจิตมันทรงสมาธิที่ถูกต้องอยู่จิตเป็นเทพจิตเป็นพลมจิตของเราสูงไม่ใช่จิตกระจ่าง่อแงอแล้วเราเห็นธาตุเห็นขันมันแยกออกไปถัดจากนั้นนะบางคนก็เห็นความจริงลึกซึ้งขึ้นอีกความจริงลึกซึ้งก็คือรูปธ ร, รรมก็มีเหตุให้เกิดนามธ ร, รรมก็มีเหตุให้เกิดตรงที่เรารู้ว่ารูปธ ร, รรมไม่ใช่เกิดลอยๆอยนามธ ร, รรมไม่ได้เกิดลอยๆอย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 สิ่งแวดล้อมรูปบางอย่างเกิดจาก จ, จิตอย่างรูปที่เกิดจาก จ, จิตเนี่ยลองพยักหน้าสิเนี่ยรูปที่เคลื่อนไหวเนี่ย จ, จิตเป็นคนสั่ง จ, จิตเป็นคนสั่งให้รูปอย่างนี้เกิดขึ้น จ, จิตเป็นคนสั่งให้ยืนให้เดินให้นั่งให้นอน จ, จิตเป็นคนสั่งนะเวลาเรามีความสุขหน้าตาเรายิ้มแย้มขึ้นมา emin. หน้าเราเปลี่ยนเพราะอะไรเพราะ จ, จิตมันสั่ง จ, จิตมันมีความสุขเวลาจิตเราโกรธหน้าเราหงิก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 ผัสสะเกิดขึ้นก็เกิดแว บ, บเดียวมีความรู้สึกเกิดขึ้นก็อยู่ชั่วคราวนะมีอะไรๆก็อยู่ชั่วคราวเนี่ยพอเราเห็นพวกเราเห็นไหมโดยเฉพาะพวกที่ชํานาญการดูจิตดูใจนระาจะเห็นเลยว่าพอมีผัสสะจิตก็เปลี่ยนใช่ไหมตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์จิตก็เปลี่ย น, หห น, ย เ, ยนเห็นไหมตรงนี้เห็นไหมถ้าเห็นขึ้นรถคันที่สี่เรียบร้อยละเห็นไหมมีเจ็ดคันเองอะ่ะเจ็ดนี้นะเจ็เนี่ยถึงมรรคผลนิพพานนะเนี่ย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 ความเป็นไตรลักษณ์ของรูปของนามนะอย่างนี้ใช้ได้แต่ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นจิตเคลื่อนออกจากฐานไปนะไปดูรูปจิตก็เคลื่อนไปอยู่ที่รูปเช่นไปดูท้องฟองยุบจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ท้องนะไปเดินจงกรมจิตไหลไปอยู่ที่เท้าไปรู้ลมหายใจจิตไหลไปอยู่กับลมหายใจนี้เรียกว่าจิตไม่เข้าฐานจิตเคลื่อนนะแล้วพอไปเดินปัญญาด้วยจิตเคลื่อนๆ น, นะไปเดินเดินได้นิดหน่อยนะมันจะว่างไปเลย หรือบางทีเกิดความรู้สึกเพียเพ้ยนๆไปเลยนะว่ากูเป็นพระอรหันต์ไปแล้วหรือบางทีสติเข้มข้นมากเลยนะมองดินฟ้าอากาศนะเห็นเป็นจุดๆไปหมดเลยนะมันแยกแยะได้และเียดยิบไปหมดเลยเห็ น, น, นี่คนนแยกออกมาเลย้ี่กำลังที่สติที่กล้าแข็งเกินไปผิดธรรมดานะวิปัสสนปกิเลส1ิประการนะบางทีมีปัญญามากไปธรรมะถ่ายทอด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 มิปัสนูนี่อยากไปยุ่งกับคนอื่นเขาก็คิดว่าตัวเองอันนี้พ้นแล้วหลุดแล้วนะอยากจะช่วยคนอื่นให้ไปด้วยอะไรเงี้ยเวลาพวกปัญญามากๆนะมิปัสนูเกิดแล้วปัญญาเกิดนี่นะบางทีมันอยากสอนคนอื่นบางทีโทรศัพท์ไปตีสองตีสามไปเรียกเพื่อนนี่เธอฉันเข้าใจธรรมะตรงนี้แล้วเธอเพื่อนก็บอกฉันก็เข้าใจเหมือนกันว่าโทรสับเป็นยังไง ว <laughs> ิปสัสสโนสิบอย่างก็จริงนะแต่ถ้าจิตถึงฐานแล้วก็สิบอย่างก็สิบอย่างเหอะหายหมดเลยพระนนเนี่ยท่านเรียกคนไทยเรียกพระอนนต์นะถ้าบาลีจริงๆเรียกพระอนันต์อนันท ะ, นะพระอนนท์ท่านบอกว่าถ้าเรียกวิปัสสโนนะว่ า, าธรมมุตทัจจะความฟุ้งซ่านในธรรมสิบประการ วิธีที่จะพ้นจากธรรมมุธทัต จ, จักก็คือจิตตึงฐานนั่นเองถ้าจิตมีสมาธิเพียงพอนะรู้ตัวตื่นเต็มที่มิปัสจโนตสิบอย่างก็สิบอย่างเถอะหายหมดเลยนะพวกเราใครเคยเห็นที่จิตไหลไปว่างๆอยู่ข้างนอกบ้างแล้วรู้ว่าจิตออกนอกแล้วมันกลับเข้ามาหาตัวเองได้นะตรงนั้นแหละเรียกเรารู้แล้วว่าอันไหนเป็นทางอันไหนไม่ใช่ทาง เมื่อไรจิตออกออกนอกเมื่อนั้นไม่ใช่ทางเมื่อไรจิตตั้งมั่นแล้วก็มีสติเห็นรูปนามเกิดดับไปนั่นแหละทางนะคนที่ผ่านวิปสัสสโนกิเลสแล้วเนี่ยนะผ่านวิปสัสสโนปกิเลสไปแล้วเนี่ยเรียกว่าผ่านรถขันเนี่ยเรียกว่ามรขามัขายานทัศนวิสุทธิ์มร ก, ก็คือวิปัสสนาณ์นะมรคือทางอามร ก, ก็คือวิปสัสสโนปกิเลส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 ประโยคนี้ก็เฉยแหลกเลยเหมือนกเรียนจากหลวงพ่อพุธอะแล้วไม่รู้จักคําว่ายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดไม่รู้จักเนี่ยก็เรียงวบบไม่เอาไหนเลยหรือเรียนจากหลวงพุดูลไม่รู้จักคําว่าจิตออกนอกนะียก็ไม่เอาไหนเลยงั้นพวกเราจํานวนมากนะที่จิตเหมือนเข้าบ้านนะมันรู้เลยว่าถ้าไหลออกไปข้างนอกแต่เดิมไหลเราไม่เห็นเพราะวิปัสสนูเกิดต่อมารู้ทันว่ามันเคลื่อนออกไปแล้ว เรื่อก็กลับเข้ามาเนี่ยผ่านรถคันที่เท่าไหร่ละคันที่ห้าเห็นไหมห้าคันแล้วนะ mm hmm. พวกเราจํานวนมากบอกให้ก็ได้พวกเราจํานวนมากผ่านแล้วนะส่วนคนที่มาฝึกใหม่ๆเขาก็ยังขึ้นรถคันที่4ีคันที่หกันอยู่นะยังยังไม่ผ่านคนะันที่6นะชื่อปฏิปทาญาณทัศน์ะพิสุทธิ์มีความบริสุทธิ์ด้วยปัญญาเนี่ยนะ ในการดำเนินไปเวลาที่เราดำเนินไปนะถ้าเราดำเนินมีศีลนะมีสติคุ้มครองจิตเรามีศีลมีสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนได้สมาธนะิวันไหนจิตฟุ้งซ่านทำสมาธิทำใจให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวทำใจให้มีความสุขมีความสงบตอนไหนมีความสุขมีความสงบแล้วจเจริญปัญญา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 เพื่อให้จิตมีกำลังของสมาธิแล้วก็เราก็เจริญปัญญาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณนะ์เกิดความเคลื่อนไหวในกายเกิดความเคลื่อนไหวในใจอะไรค่อยรู้ค่อยเห็นก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปนะตรงนี้แหละเรียก ว, ว่าการปฏิบัติเรีเป็นปฏิปทาปฏิปทาของพวกเราเนี่ยถ้าจะพูดไปแล้วนะ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 เกิดตายไปแล้วนะกว่าจะกลับมาเกิดหลวงพ่อประโมทมรณาภาพไปแล้วนะซีดีก็พังไปหมดแล้วหมดอายุไขจะไปฟังอะไรล่ะคราวนี้คราวนี้ต้องคลํากันอีกนานเลยนะต้องนานเลยหาทางจะไปยังไงจะไปยังไงเมื่อตอนนี้เรามาถึงตรงนี้ได้แล้วนะเราเห็นรูปนามเกิดดับได้แล้วนะตั้งใจรักษาศีลไว้ตั้งใจปฏิบัติในรูปแบบไว้นะอย่าขี้เกียจ เวลาในชีวิตประจำวันจเจริญสติไว้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ให้มันกระทบไปกระทบแล้วเกิดความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกดีรู้สึกชั่วให้มันรู้สึกไปแล้วเรามีสติตามรู้ตามเห็นมันนะตรงที่ปฏิบัติปฏิปทาตัวเนี้ยนะที่หลวงพ่อพุทธท่านเรียกว่ายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทาพูดคิดอะไรเป็นตัวยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทาพูดก็ร่างกายใช่ไม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 นี่มันมีตาใช่ไหมแล้วอากุสนให้ผลอ่ะไปเห็นหมาถูกรถทับตายเรียบร้อยไปแล้วนะจิตไม่อยู่กับร่างนะตายแล้วไปไหนก็ไม่รูนะ้ทำไมต้องไปเห็นเพราะมันมีตามันมีรูปมันมีแสงสว่างใช่แล้วจิตมันใส่ใจเข้าไปพอดีวิญญาณเกิดทางตานะเพราะว่าอากุศนวิบากให้ผลก็งไปเห็นของไม่สวยไม่งามเนี่ย หรือบางทีหันไปไปเจอดอกไม้สวยกุศลให้ผลก็ได้เห็นของสวยอกุศลให้ผลได้เห็นของไม่ดีอะไรเนี่ยเราเลือกไม่ได้กุศลเลือกกุศลจะให้ผลเราก็เลือกไม่ได้แล้วเราจะเห็นอะไรไม่เห็นอะไรนะเราสั่งไม่ได้หรอกหรือเราได้ยินเรามีหูเรากำลังเปิดเพลงไพเราะฟังอยู่ที่บ้านอยู่ดีๆเสียงข้างบ้านด่ากันเคยมีไหมเรากําลังฟังอะไรของเราอย่างสุนทรีอยู่ เปิดซีดีหลวงพ่อประมวดฟังอยู่ผัวเมียข้างบ้ากนกำลังด่ากันอยู่เนี่ยเสียงอักุสนมันก็แทรกเข้ามานะเรามีหูเราห้ามมันไม่ได้เราก็โมโหอุยอชั่วคนก็จะฟังเทศชั่วช้าสามานทะเลาะกันอยู่ได้ไม่เห็นเลยว่ากำลังมีโทสะว่าเขามีโทสานะตัวเองไม่เห็นหรอกไม่เอาไหนเลยเนี่ยหูมันจะได้ยิน เราก็เลือกไม่ได้ใชหมจมูกจะได้กลิ่นก็เลือกไม่ได้บางคนนะมีบุญจมูกเนี่ยได้กลิ่นหอมอย่างเดียวนะมีนะไปอยู่คนอื่นเขาเหม็นจะตายแนละ้วอีตาคนนี้มันหอมอะ่ะดมอะไรมันหอมไปหมดเลยนะเพราะจมูกมันเสียไปบางส่วนนะส่วนที่จะรับรู้ความเหม็นเนี่ยมันไม่มีนะไปตีไหนโอ้หอมนะตัวนี้หอมอะไรนี่มันกองขยะ เฮ้ยไม่ได้เห็นเลยนี่มีดอกไม้ตกอยู่ดอกหนึ่งนี่บุญมันมากเลือกได้ไหมจะได้กลิ่นหอมหรือกลิ่นเหม็นเลือกไม่ได้เนี่ยเราเลือกอารมณ์ไม่ได้นะผัสสะมันมาเราเลือกไม่ได้ใจจะคิดเรื่องดีหรือเรื่องชั่วเลือกได้ไหมเคยตั้งใจไ้ยว่าจะคิดแต่เรื่องดีคิดแต่ธรรมะธรรมโมเคยมีไหมคิดไปคิดมากานินทาพราบเฉยเลย <c oughs> นะอยากจะคิดแต่เรื่องกุศล น, นะคิดแต่เรื่องวัดวาอารามนะนั่นน่าเรื่อมใสคิดไปคิดมาเฮ้ยพระองค์นี้ก็ไม่ดีองค์น้นก็ไม่ดีองค์นี้ประราชิกองค์น้นมีข่าวอะไรอย่างนี้นะใจเป็นอกุศลใจจะเป็นกุศลหรืออกุศลนะก็ยังเลือกไม่ได้เลยเลือกไม่ได้นะอย่างจะรักหรือจะเกลียดเลยเนี่ยห้ามไม่ได้เลือกไม่ได้จิตมันเป็นเองนะนี่เราเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปนะเราก็จะเห็นนลยมันไม่มีอะไรที่เราสั่งได้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 ในรดกานที่7เนี่ยนะมีถึงพระสกทาคาพระนาคาพระระหันพระสกทาคาเห็นเหมือนพระโสดาแะแต่ว่าละกิเลส ช, ช่วยหยับหยับพวกแรงแรงเนี่ยขาดไปขาดไปนะเลแต่กิเลสบางๆเบาๆกิเลสไม่รุนแรงอย่างโทสะมีแต่มีเบาๆไม่แรงราคะก็มีแต่ไม่แรงนะมีแผ่วแผวแค่รู้ก็ขาดแค่รู้ก็ขาดจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเผลอนะนก็ครอบเอาเหมือนกันนะ พระสกทาคาก็าถูกโทสะครอบได้นะงั้นอย่างเราเห็นพระเราไปด่าถ้านแล้วท่า น, าานกโกรธเราจะไปบอกว่าท่านเป็นพระเลวไม่ได้นะต้องบอกว่าท่านยังไม่ใช่พระอนาคาต้องว่าอย่างนีนะ้ท่านอาจจะเป็นกุฎชนเป็นอรัตชีเป็นอะไรจนถึงสกทาคาก็ไดนะ้ไม่แน่หรือบางคนเราไปด่าๆาในะยิ้มหวานเลยโอยองค์นี้ไม่โกรธความจริงเขากโกรธท่าไหนเราไม่เห็นว่า อ, องค์นี้พระอราหารันต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 สบายทั้งวันทั้งคืนไม่ต้องยุ่งกับใครสบายนะตรงที่เข้าถึงพระนิพพานเนี่เรียกว่าพ้นจากรถขันที่เจแล้วนะตรงที่รถชันที่เจเนี่ยก็จะภาวนาไปนะจนเกิดมรรคเกิดผลขึ้นมานะมรรคผลกันนิพพานคนละอันกันนะมรรคผลเนี่ยเป็นโลกุตระก็จริงแต่เกิดแล้วดับโสดาปติมรรคเกิดแล้วก็ดับอยู่ช่วงขณะจิตเดียวเองนะ โสดาปฏิผลเกิดแล้วก็ดับอยู่สองสาขณะจิตเองนะแค่นั้นเองนิดเดียวเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าโลกุตระแล้วไม่เกิดไม่ดับนะโลกุตระธรรมมี9อย่างนะโสดามากโสดาผลสักทาคามากสักธ า, า ก, กามาีผลอนาคามีมากอนาคามีผลอหรหัตตมากหารหัตผลนี่เป็น8ปดกนิพพานโลกุตระที่ไม่เกิดไม่ดับก็คือนิพพานโลกุตระที่ยังเกิดยังดับอยู่นะี่คือมากกผลนะมีสี่ขั้น อริยมรรคนั่นไม่ว่าชั้นไหนเกิดขนาดจิดเดียวแวบเดียวเท่านั้นเองเหมือนมีดมันขมมากนะฟันอะไรนี้ขาดในฉับพลันไม่ต้องฟัน2องทีเวลาฟันอริยมรรคมันฟันกิเลสตายเนี่ยนะมันฟันชับเดียวขาดเลยขาดแล้วไม่มาติดอีกขาดแล้วขาดเลยตัวไหนถูกฟันขาดแล้วขาดเลยแต่อริยมรรคเกิดแล้วก็ดับเกิดอริยผลสองสาขณะแล้วก็ดับนะแม้นโลกุตระก็ยังดับได้ ตัวนี้มันเป็นรถชันที่เจดพ้นจากรถชันที่เจ็ดนียหมดธุระแล้วสบายแล้วก็นะสัมผัสท่านิพานไปพวกเราตอนนี้ส่วนมากเลยนะอยู่รถชันที่ห้าที่หแล้วนะเหลืออีคันเดียวอย่าตกรถซะก่อนกันรถกันตกรถมีไหมมีนะท้อแท้เลิกปฏิบัติไปนะหรือขี้เกียจ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 ถ้าเสียระยะเมตไตรก็มีอีกนะคือถ้าเราทําเต็มที่แล้วยังไม่ได้อย่าเสียใจนะสมมตว่าเราจะตายแล้วตายแล้วเรียนกับหลวงพ่อประโมทมาตั้งหลายปีแล้วตอนนี้กําลังป่วยหนักใกล้ตายแล้วยังไม่ได้มรรคผลเลยอย่าตกใจนะดู ก, กายมันตายไปเลยถวายร่างกายถวายชีวิตนะบูชาพระเจ้าไปเลยนะบางคนไม่แน่นะได้ตอนนั้นเลยได้ตอนใกล้จะตาย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 ผู้ชายกับผู้หญิงขี้บ่นพอๆกันนะเนี่ยเป็นความเข้าใจผิดของหลวงพ่อนะนึกว่าผู้หญิงขี้บน่นที่แท้ผู้ชายก็ขี้บน่นที่ยกมือเนี่ยสูสีกันขี้บน่นทําไมขี้บน่นก็เพราะมันเคยชินที่จะบน่นเั้นถ้าเราปล่อยให้มันเคยชินฝ่ายชั่วไปเรื่อยนะยิ่งแก่ยิ่งร้ายยิ่งแก่มันจะบ่นทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะจนกระทั่งไม่มีใครเข้าหน้าเลย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 เราสะาสมอนุสัยมายเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเรามาฝึกให้มีศีลมีธรรมฝึกให้มากถ้าชาตินี้ได้ก็จะได้ไปเลยก็ดีก็จะมีความสุขเรื่องอะไรต้องจมความทุกข์เนี่ยมีคนนะเขามีฤทธิ์เยอะประเภทมีทิพยจักษุหูทิพตาทิปอะไรพวกนี้เขาเล่นพวกนี้เขาเคยบอกหลวงพ่อไว้เนี่ยที่หลวงพ่อสอนเนี่ยนะ ดูล่วงหน้าไปแล้วจะมีคนภาวานาได้เกินครึ่งว่าอย่างนี้ไนะได้เกินครึ่งไม่เชื่อหรอกกว่ามันจะตื่นสักคนหนึ่งยังยากเลยนะตื่นแล้วยังต้องแยกขันต้องดูขันแสดงใจรักยากนะไม่เชื่อหรอกตอนนี้ชักเชื่อบ้างแล้วละนะพอดูหน้าตาพวกเราหน้าตาเป็นอมนุษย์ข้่ปเป็นเถื่อปีแล้วนะไม่เหมือนมนุษย์ลหน้าเป็นเทพเป็นลมไปหมดแล้วนะค่อยฝึกนะ ชาตินี้ได้ก็ดีที่สุดไม่ได้ก็ไม่เสียใจเวลาจะตายโลวงปูดูลถ้าเรียกตกกระดปล่อยโจรเวลาจะตายดูกายเป็นตายใจเราอยู่ต่างหากใจอย่าไปเศร้าหมองตามร่างกายมันตายเราไม่เกี่ยวอาจจะได้มรกได้ผลได้บ้างสมัยพุทธกาลมีได้อรหันนะของเราได้โสดา ก, ก็บุญแล้ว <c oughs> ถ้าไม่ได้จริงชาติต่อไปทาง่าย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 เกลียดอะไรก <ounds> <N ed its> ็ได้อนั้นแหละถ้าเป็นกลางแล้วก็ไม่เกิดหรอกเป็นกลางทําแต่ความดีไปเรื่อยขึ้นไปแล้วก็พอพระสีอริยะเมตไตรมาตร์นะเราจะลงมาฝังในสภาพของกายทิพย์ก็ได้หรืออยากลงมาช่วยท่านทํางานลงมาเกิดมาเป็นสาวกท่านมาช่วยท่านประกาศธรรมะก็ได้ แล้วแต่วัาสนามบารมีความสนใจของเราแต่ถ้าเราไม่เคยทอวนานนะถึงไปเจอพระสีอริยะเมตไตรท่านก็คงบัวมีสี่เหลา่า <laughs> บัด น, นี้ได้เจอเหล่าที่สี่แล้วอยู่ใต้น้ำใต้ดิน <laughs> งั้นทำตัวให้เป็นบัวพ้นน้ำขึ้นมาก่อนนะให้พ้นน้ำถ้าพ้นแล้วบานรับแสงอาทิตย์ได้ในชาตินี้เอาเลยไม่ต้องรอ ถ้าไม่ได้ก็ไปบานชาติต่อไปนะถ้าไม่ได้จริงก็รอพรุทธเจ้าถัดไปถ้าไม่ได้อีกทีก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วลนะ่นะต้องรออีกนานเลยนะนะพอสู้ไหมกินข้าวของเขาฟรีแล้วนะสถานที่ก็ใช้ฟรีนะอต้องภาวนาใช้นี่นะต้องภาวนาใช้นี่อย่างพระเนี่ยบวชมาถ้าพระบวชมาแล้ว ไม่มีธรรมะนะไปบินธบาตข้าวทุกขับนี่คือหนี้นะงั้นวิธีจะลดหนี้ของพระคือภาวนาให้จิตเป็นบุญเป็นกุศลนะเราไปบินธบาตนะเขาก็าได้บุญได้กุศลอย่างน้อยเป็นกาลยานะปุถุชนก็ยังดีเป็นหนี้น้อยหน่อยญาติโยมก็ได้บุญบ้างดีกว่าไม่ได้เลยพวกเหล่านี้ก็ใายๆพระใช่ที่อยู่ตรงนี้ก็อยู่ฟรี ข, ข้าวกขกินฟรีใช่ไรถ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 อยากเป็นคนดีนะถ้าเจอเขาก็ขอบใจเขาหน่อยอนุโมทนากับเขาหน่อยคนที่ช่วยงานอย่างพวกจราจรนะไม่ได้ฟังธรรมนะเดินท่อมๆ อ, อยู่ข้างถนนน่าสงสารเสียสละคนที่เสียสละเพื่อให้เราได้ฟังธรรมะนี่มีเยอะเลยผู้ที่เสียสละท่านแรกคือพระพุทธเจ้าสืบทอดกันลงมาจนถึงวันนี้แหละวพ่อคนเดียวทำไม่ได้พวกเรามาเยอะ ไม่มีปัญญาก็ต้องมีคนมาช่วยเยอะแยะเลยซนะีดีหรือเว็บไซต์ต่างๆหวพ่อเขาไม่ได้ทำทำไม่เป็นนะคนชอาทำเขาไม่ได้ประโยชน์อะไรลำบากมากเลยในการทำงานนะสิ่งเหล่านี้ก็เพื่อเขาทำเพื่อแทนคุณพระพุทธเจ้านะพวกเราก็ภาวนานะแทนคุณผู้มีอุ ป, ปาการะคุณของเราด้วยนะวเรียกบุ ป, ปาการีนะคนที่ส่คราะห์เราก่อน ตัวที่เรายังไม่เคยสงเคราะห์เขาเนี่ยนี่บุปการีผู้ให้การอุปการะก่อนเนีย่ยพระพุทธเจ้าเหมือนบุปการีเราอุปการะเราสอนเราสอนยากนะมนุษย์แต่ละคนฝ่าจะพ้นทุกข์ขึ้นไปนะยากเหมือนสอนกวายให้ขึ้นต้นไม้เลยต้นไม้สูงๆต้นยางต้นอะไรสอนให้กวายปีนขึ้นไปไม่ใช่ง่ายหรอกยากอันนี้ไม่ได้ว่าพวกเรานะ ว่นึกถึงตัวเองเหรอกว่าโอ้โหเรากิเลสนาะปัญญายาบนะได้ธรรมะพูดให้เจ้านะก็ค่อยๆขัดเกลามาค่อยมีความสุขขึ้นนะสู้นะสู้ไม่สู้สู้สู้แบบเห็น <c ười> ไอ้พวกนักล้อมันชอบ <c ười> หรือนันกการเมืองสู้ไม่สู้อ้าวส่งกันบ้างกราบนมำสการหลวงพ่อครับผม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 ทำเหมือนหลวงพ่อบอกนะครับบรรลุโสดาในชาตินี้ผมก็อธิษฐานตลอดก็นั่งรถมาก็ปิติมานะครับคือเพิง่งเพิ่งเปิดอินเทอร์เน็ตรู้ว่าวันนี้แสดงธรรมก็เลยรีบมาก็อยากได้วิทยะเพิ่มขึ้ น, นมากครับที่เราภาวนา ม, มาถึงจุดนี้สังเกตไหมว่าเราเปลี่ยนไป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 ให้รู้ทันนะเนี่ยรู้สึกมไหมไมันเข้ามาแล้วก็เด้งเข้ามาแล้วก็เด้งเนี่ยเคลื่อนออกแล้วเนี่ย<ห>เคลื่อนละเช่ไหให้รู้เอานะต้องให้ให้เป็นแยกแยกขันใช่ไหมครับฮะต้องให้แยกให้แยกขันไม่ไม่ไม่ไม่จำเป็นหรอกนะมันแยกเป็นคลาวลไม่แยกตลอดเวลาหรอกแต่แยกขันนะ่ะที่หลวงพ่อบอยมันมีจิตที่ถูกกับจิตที่ผิด สิตที่ถูกนะใจรู้ตื่นเบิกบานอยู่กระฐานจริงๆนะอีกอันหนึ่งเหมือนก็ขันแยกนะแต่ใจไปนิ่งๆว่างๆอยู่นะเหลืออันหนึ่งเที่ยงคือเหลือใจว่างๆอยู่อันนี้ไม่ดีนะใจไม่เข้าบ้านแล้วนั่งสมาธิต่อไปนี่นั่งสมาธิแบบแบบไหนดีครับสมาธิแบบไหนเหรอสมาธิแบบที่ไม่ให้ขาดสติให้รู้ตัวรู้สึกตัวไปนะรู้สึกใจไป สกใจไปน่าสัสดีแล้วรู้สึกใจไปใจสุกรู้ใจทุกรู้ใจดีใจชั่วรู้นะใจสงบใจฟุ้งซ่านรู้แล้วมันจะสงบเองครับอะให้คนเห็นว่าของคุณคไม่ได้มีปัญหาอะไรมากหรอกพอนาใช้ได้แล้วครับขอบคุณมากครับหลวงพอ่อธรรมส ก, การ์ค่ะหลวงพอ่อตอนนี้ฝึกไปฝึกมาแล้วมีความ ร, รู้สึกว่าทําอะไรไม่ถูกเลยโอ้เก่งนะรู้ว่าทําอะไรไม่ถูกงงไหมงงอ่ะ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 งงเอจะทําไงดีรู้ว่างงงงก็เป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งเช่นเดียวกับราคาโทรศัอะไรต่างๆนั่นแหล ะ, ะนล้นดูเข้าไปแต่ตอนทำในรูปแบบนั่งสมาธิเดี๋ยวนี้ได้แค่สิ้านาทีเองเออสิ้านาทีก็ดีแล้ ว, วนนจะสวดมนต์ก็เป็นส่วนใหญ่เอาได้ชอบส่วนมนต์สวดไปส่วนมนต์แล้วใจสบายรู้ว่าสบายะนะสวดมนต์แล้วมีความสุขรู้มีความสุข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 แล้วก็หลงรู้หลงรู้ไปเรื่อยๆนั่งไปในรถตู้ค่ะ <Ừ. S 2> แล้วเสร็จแล้วก็เกิดเห็นเป็นช่องว่างอื <Ừ. S 2> เห็นแค่แว บ, บนึงนะคะแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็สะเทือนอยู่ที่อกเนี่ยหลายวันอะไรอยู่ที่อกนะมันจ ะ, ะเทือนสะเทือนอยู่ในเนี้ยค่ะอ๋อสะเทือนใช่ใช่แล้วก็ตอนเนี้ยของหนูก็คือเวลานั่งสมาธิมันจะร้อนร้อนตามร่างกายอย่างเงี้ยค่ะอเป็นประมาณนี้เเออไม่ป็นตอนนี้ก็ร้อนอยู่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 ขอให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเอาแค่นั้นเหรอแต่ยังเหลือตัวเองในชาติต่อๆไปเอาแค่ไม่มีลูกกับสาม <laughs> กีก็ยังดีค่ะยังมียังไปด้วยตัวเองดีดีดีแล้วละ่ะถ้าไม่มีสามีได้ก็เป็นบุญนะสามีก็คือเจ้ากรรมนายเวรลูกก็เป็นเจ้ากรรมนายเวร น, นะเราก็รับวิบากอ่ะ แ, แต่สามีก็ดีนะคะยังหาเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูก็ยังคิดอย่างนี้อยู่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 คือช่วงหลังภาวนาแล้วรู้สึกว่าตัวเองดราม่าน้อยลงค่ะแล้วก็เวิ้งเวน้อยลงอแล้วก็เหมือนกับเราไม่มีอะไรจะพูดอะค่ะมันผิดทางไหมครู้ซื่อๆรู้ซื่อๆนะอย่างเนี้ยเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นใจเคลื่อนไหวแต่เราไม่ไปประคองจิตให้นิ่งๆนะเห็นตอนนี้ตื่นเต้นก็เลยไปประคองใช่ไหมใช้จิตธรรมดานี่แหละเห็นกายไมนทํางานเห็นจิตทํางานไม่มานยารู้ซื่อๆดี แล้วก็อีกข้อนึงนะคะหลวงพ่อคือว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งคือภาวนาในรูปแบบแล้วก็คือภาวนาจนลืมเวลาที่ว่าจะต้องปฏิบัติกิจวัตรประจำวันนี้ไม่ทราบว่าเรายังอยู่ในสติปัฏฐาน4หรือเปล่าคะตั้งนาฬิกาไว้สิถึงเวลามันก็ต้องทำงานนะคือมันก็มีเกงเกงเแต่เราก็คิดว่าสมมติเป็นตี4มันเป็นตี5แล้วแต่เรายังคิดว่ามันคือตี4อยู่นะคะอ๋อเราเข้าใจผิดใช่เข้าใจผิดไม่เป็นไร น, น, น้าใจผิดไดไ้นวัศการค่ะครับนมวัสการหลวงพ่อคะ่ะทรงการบ้านเป็นครั้งแรกคะ่ะก็ฟังซีดีของหลวงพ่อมาหลายปีคะ่ะแต่เริ่มปฏิบัติจริงๆปีนี้นะคะออสิ่งที่ปฏิบัติเนี่ยจะส่วนใหญ่จะสวดมนต์แล้วก็นั่งมสมาธินะคะเวลาเดินจงกรมรู้สึกว่าตัวเองจะฟุ้งซ่านนะคะแต่ถ้าสวดมนต์เนี่ยจะ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 ความรู้สึกทางใจก็รู้เอาก็เห็นความรู้สึกทั้งหลายสุขทุกข์ดีชั่วเกิดแล้วก็ดับดังนั้นเวลาที่เราทําสมาธิแล้วนะั้นออกมาแล้วก็มาเจริญปัญญาต่อนะดูกายก็ได้ดูใจก็ได้ไม่ไม่แน่ใจว่าตัวเองแบบติดติดในแบบสมาธิหรือว่ายัางยัง <ทำ S 1> ไม่ติดไหมคะทาได้นะแต่ว่าเจเริญปัญญาให้บ่อยๆ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 สมาธิเนี่ยถ้าติดเวลาติดสมาธิแล้วเนี่ยให้ดูกายอย่าไปดูจิตมันจะไม่มีอะไรให้ดูมันจะว่างๆนะแล้วเวลาดูว่าตัวเองติดสมาธิหรือเปล่าเนี่ยสังเกตทีจ่จิตเลยถ้าจิตนคงที่ตลอดเลยติดสมาธิแน่นอนสแสดงว่าวันที่จิตนิ่งไม่เปลี่ย น, น, นแปลงเราคือข่มให้มันนิ่งเอาไว้ใช่ เ, เราเราเป็นอย่างนี้ได้ขอพระคุณค่ะเนี่ยให้หลวงพ่ออยู่สามวันก็ได้ <peach> นมาสการธรรมชาตินะนมาสการหลวงพ่อผมส่งล่าสุดนี่ส่งเมื่อปีที่แล้วครับแล้วก็คือเวลาปฏิบัติสมถะหรือว่าวิปัสสนายนี่คือจะบางทีนึกนึกพูดโทได้ก็พูดโธบางทีนึกอิติปิโสได้ก็อิติปิโสบางทีนึกเมตานางังอนันหัง <S <s ก็<ๆ>ก็เอานั่นบางทีมั น, ม, นมันปนปนกันก็เลยไม่แน่ใจว่า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 จะสวดแบบไหนก็ช่างแต่รู้ทันจิตอย่างนี้ก็ใช้ได้แต่ถ้าสวดมนต์แล้วจับจดไปเรื่อยนะไม่ได้ดูรู้ทันว่าจิตเป็นไงด้วยเดี๋ยวก็พุดโทเดี๋ยวอีทีวีสวดนั่นฟุ้งสั้นบางทีมันมันก็จะรู้เป็นพักๆนะครับผมก็เลยอาศัยว่าเอาเอ า, เอานิ้วเอามือเนี่ยลูบตัวเอารูปพุดโธพุทโธพุดโธไปบางทีนึกนึกอะไรได้ถ้าใจมันเข้ามามันมันแปลว่ามันมีสติอย่างนั้นหรือเปล่าครับเอเอ๋ย่าไป๋ยวาไปจงใจมากก็แล้วกันนะ ต้องให้เป็นธรรมชาติถ้าจงใจแบบจะต้องรู้สึกรู้สึกรู้สึกอะไรเงี้ยนะจะมากไปนะจะตึงไปแล้วแล้วคือผมมีภรรยาแล้วครับไม่ไม่รู้ว่าการปฏิบัติมันเป็นวัยรุ่นนี่มันจะทํำยังไงกับชีวิตให้มันจะดีขึ้นอะไรนะปฏิบัติอะไรนะกา ร, การปฏิบัติอยู่ในอยู่ในคารวาะครับเอถ้าเรามีภรรยาแล้วเนี่ยคร หลวงพ่อปฏิบัติตอนเป็นคราวาสนะแล้วก็มีภรรยาด้วย <c oughs> เรามีศีลไหมล่ะนะชิด น, นอกใจเมียบ้างไหมไม่ไม่ครับเออมีศีลไวนะ้นะทุกวันเราฝึกในรูปแบบมีสมาธิเวลาที่เหลือเจริญสติในชีวิตประจำวันคราวาสไม่ช้าหรอกนะในขั้นโสดาสกตาคาร์เนฆราวาสทำได้สบายเลยมันจะไปยากขั้นพระนาคาแล้วแล้วผมอยู่ในล่องใน้อย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 พุโทโธพุธโทโธถ้าจิตหนีเรารู้พุโทโธแล้วจิตหนีไปเรารู้พุโทโธแล้วเพ่งเรารู้คือเหมือนอาจจะแบบบางทีเราคิดว่าเราฟุ้งซ่าเราก็เลยทําเพื่อให้จิตมันสงบอะคะ่ะได้อย่างนั้นได้แล้วก็มีจุดอ่อนหรือข้อแนะนําที่คนเพิ่มเติมป่ะคะมันยังไม่เป็นธรรมชาติทีเดียวนะค่อยฝึกอีกแต่ก่อนมันติดเพ่งแรงกราบนมัส ก, การเจ้าค่ะคือปัญหาในการปฏิบัติเนี่ยมีอยู่สองสาอย่างนะคะก็คือว่า ส่วนใหญ่จะเห็นจิตดิ้นรนในเรื่องถ้าเกิดว่าสิ่งที่เป็นอกุศลมาเนี่ยจิตจะชอบบังคับอยากคิดอยาคิดอะไรทานองนี้ค่ะเออห้ามไม่ได้ดอกะนะเราเวลาจิตไม่เกินอกุศล น, นะหนูดูลงไปเลยเนี่ยเราห้ามมันไม่ได้จิตนี่เป็นอนัตตานะดูอย่างนั้นเลยดูอนัตตาไปแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือจิตเนี่ยชอบอยากรู้ มันก็เลยเครียดอะค่ะแล้วก็เพ่งอยากรู้เนี่ยไม่ได้มันจะเที่ยวสแสวงหาหาไปหามาไปเจออะไรเขาก็ไปจ้องใส่มันแล้วจิตมันจะค้างแล้วก็ให้รู้ทันให้รู้ทันว่ามันอยากตัดตั้งแต่ต้นต่อนี่รู้ว่ามันอยากนะแล้วโง่ไว้โง่ก็ได้นะไม่ต้องรู้ทุกเรื่องหรอกภาวนาเนี่ยยิ่งโง่ยิ่งสบายดูซื่อนี่บางคนมันเลยปากเสียนะบอกว่า อ๋อถ้อ ง, งั้นต้องคนโง่โงมาเรียนถึงจะดีไม่ใช่นะหมายถึงเวลาเรียนเนี่ยรู้ไปซื่อๆไม่ต้องคนกว้ามากเพราะว่าเวลาเราคนกว้าเนี่ยนะมันจะตกไปสู่จินตามยาปัญญาปัญญาจากการคิดใช่มมันไม่ใช่ปัญญาจากการรู้เรากลาลังทาปัญญาจากการรู้อยู่งั้นเราไม่หลงไปคิดแล้วจิตมันจะเป็นยังไงนะเรารู้อย่างที่มันเป็นเรื่อยไปไม่ห้ามนะไม่ต้องห้ามกัน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 ทำสุกและขอบคุณครั บ, รบการนมัสการหลวงพ่อครับ เ, เมื่อต้นปีผมได้มีโอกาสส่งคนบ้านหลวงพ่อแล้หลวงพ่อก็คารุณาบอกว่าที่ทำในตอนนั้นเนี่ยผิดซึ่งซึ่งหลังจากนั้นเราก็ผมก็พยายามมาปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็สิ่งที่จะถามก็คือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผม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 จะหัดใหม่ๆก็ยังแยกอยู่สุดท้ายแยกไม่ออกหรอกรเป็นอันเดียวรวดเลยครับทํบถาถูกแล้วผมมีนิดนึงครับคือปกติผมจะบริกา ร, รมไม่ได้ก่อนหน้านี้นะฮะแต่หลังๆเนี่ยพอเริ่มทําไปมากขึ้นก็แต่บริกา ร, รหลังๆเนี่ยช่วงแรกๆที่เริ่มบริกา ร, รที่เริ่มเข้าที่เนี่ยเาจะรู้สึกดีมากอันนี้อัน น, น, นี้คือจะรู้สึกถึงบางบางครั้งในบางช่วงเนี่ย จิตมันเป็นอัตโนมัติขึ้นมาต่อเนื่องพอสมควรก็รู้สึกมีพฤาการแต่ช่วงหลังๆพอเราเริ่มรู้สึกว่าดีแล้วเนี่ยหลังๆก็จะเริ่มมันไม่เที่ยงนะฮะแล้วก็หลังๆเนี่อรู้สึกบางทีบริกา ร, รมไปบริกรรมว่าอะไรก็ไม่รู้คือเราจะพูดว่าเมตตาอะไรไม่ตาคุณทากลางไม่ตาเนี่ยพอไปเรื่อยๆบางทีจับคําบริกา ร, รมไม่ถูกแนละ้วซึ่งอย่างนี้ผิดใช่ไหมฮะต้อ ง, องไม่ไม่ผิดหรอกครับบางทีจิตมันสงบลงไปนะ มันไม่สนใจคำบริกรรมแล้วละ่ะเวลาจิตรวมลงจริงๆคำบริกรรมจะหายไปครับก็พยายามทำต่อเนื่องฮะครับครับขอบพระคุณครั บ, ร บ, บ, รรบดีแล้ว น, นะนะเปลี่ยนไปเยอะเลยนำ้ำพสการหลวงพ่อค่ะมาครั้งแรกก็เพิ่งฟังซีดีหลวงพ่อแค่สามสี่เดือนอก็ยังไม่ ยังไม่ได้มีอะไรมาถามเต่อก็อยากจะได้แนวทางการปฏิบัติแต่ก็ปฏิบัติมาก็เห็นไหมว่ากิเลสมาได้เรื่อยๆดูกิเลสออกไหมค่ะถ้าดูกิเลสได้นะก็ภาวนาเป็นแล้วละ่ะเห็นไหมกิเลสมาได้เองค่นะนะไม่ได้เชิญเลยมาแล้วมาแล้วไ ล, ล่ลก็ไม่ไปทั้ทีเน่เฝ้าดูนะเห็นเขามาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปแต่ไม่ได้อยู่ในอำนาจ บ, บังคับอย่างนี้อร<ะ>เรียกว่าภ<ะ>าวนา รู้สึกว่าความทุกข์มันห่างแล้วก็ทุกทีมันจะความทุกข์มากที่สุดอยู่นี้มันรู้สึกว่ามันจะไม่ไม่ไปยุึดถือกับความทุกข์อ๋อแน่นอนความทุกข์มันต้องห่างออกไปโลกทั้งโลกอย่างห่างออกไปเลยใช่เบื่อมากแล้วก็แต่ก็จะกําหนดรู้ว่าเบื่อแล้วก็แต่เบื่อตัวนี้ยังโทษเจือโถสะอยู่แบบไม่ได้มีใครทำอะไรให้เราเห็นเขาทำอะไรกันอย่างเงี้ยก็จะเบื่อหน่ายอย่างเงี้ยอแต่ว่าเบื่อเนี่ยยังครอบใจได้เนีเป็นโถสะนะค่ะให้รู้ทันเอ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 บางคนเรียกว่าหลวงพ่อมีปฏิหารโอ้โปฏิหารอะไรใครๆเขาก็ดูเป็นหน้าตาแต่เดิมเหมือนปลาตีน <c oughs> ต่อมาหน้าตานะผ่ อ, ผองใสเป็นเทพบระบุเทพทิดามันจะต่างกันตั้งเยอะดูง่ายจะตายไปเนาะเราชอบปิตีอะค่ะฟังเทศฟังอะไรของพ่อของหลวงพ่อก็จะชอบปิติน้ำตาไหลตลอดเออเยอะดีแต่ว่าอย่าให้ปิติครอบใจได้ปิติมาก็รู้ทันนะมันก็ขาดออกไปมีบางคนนะ พีตฟังทีไรปีติน้ําตาไหลล ะ, ละท้อละทวอยู่อุ้ยเห็นแล้วอุ้มไม่เป็นบางครั้งแต่ก็จะตามรู<ว>้ค่ะต้อง<ด>ไม่ให้ใหมัครอบใจได้ค่ะขอบคุณค่ะนักเวิศการค่ะหลวงพ่อภาวนาะต่อเ น, นื่องทุกวันมาประมาณสองปียังไม่ได้ส่งกันบ้านหลวงพ่อสองปีแล้วอะคะ่ะก็ ยังอยู่ในร่องลอยๆคือคือเข้าใจว่าตัวเองเข้าใจการภาวนามากขึ้นกว่าเดิมค่ะแต่ว่าพอช่วงหลังๆสองสามเดือนที่ผ่านมาคลุกกบโลกมากเนี่ยไม่ทราบค่ะมันมีความรู้สึกว่ามันไม่มันไปมีโทสะ ก, กับอกุศลที่เกิดขึ้นในในใจอาหารพในช่วงช่วงหก็หให้รู้ทันนะกุศลเกิดแล้วยินดีก็ต้องรู้อกุศลเกิดแล้วยินร้ายก็ต้องรู้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 ยะถาวะริวหาปุราปริปูเรนตีสาครังเอวาเมีวะอิโตทินนางเปตานางอุปกระปติอิชิตังปะทิตังทุมหังชิปะเมวาสมิจตุสัพเพภูเรนตูสังกปาจันโทปันรโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัชจันตตสัพพโรโควินัสตุ มาเตภวัตวันตรายโยสุขีี่คาโยโกภวะาอภาิวาธนาศีลิสนิจจังวุธาปัจจายิโนจตารโรธรมาวันตีอายุวันโนสุขังพระลังสุเนี่ยวันนี้เขามีปัญหาเรื่องจอดรถนะแต่พวกเราขึ้นรถตั้ง 6-7 เจคันไม่มีปัญหาหรอกรับรองเนี่ยมขึ้นรถที่หลวงพ่อบอกให้ได้นะ อย่าตกรถไปซะก่อน